แม้แต่เราเองอ่ะวันๆนึ่งเราค mm ิด hmm. ท้นสิ่งเหล่านี้ไหมบอกยากเต็มทีเนี่ยนะโดยทวานไหนล่ะเอาแสวงหาทวารตาเพื่อเห็นก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่เกิดแก่ป่วยตายถามว่าทวานหูปรารถนาจะไปฟังก็แสวงหาสิ่งที่เกิดแก่ป่วยตายไอ้ที่พอหูเราเองก็เกิดแก่ป่วยตายเหมือนกันใช่ไหมอย่างเอาทวารตาเรามีตาแสวงหาสีตาเราก็เกิดแก่ป่วยตายก็แสวงหาสีที่เกิดแก่ป่วยตาย หูเราก็เกิดแก่ป่วยตายก็แสวงหาเสียงที่เกิดแก่ป่วยและตายมีจมูกที่เกิดแก่ป่วยตายก็แสวงหากลิ่นที่เกิดแก่ป่วยแล้วก็ตายมีลิ้นที่เกิดแก่ป่วยตายเนี่ยนะก็แสวงหาสิ่งที่เกิดแก่ป่วยตายหรือก็มีร่างกายที่เกิดแก่ป่วยตายก็แสวงหาสิร่างกายที่ประกอบไปด้วยความเกิดแก่ป่วยแล้วก็ตายนใจที่เกิดแก่ป่วยตายก็แสวงหาสิ่งที่เกิดแก่ป่วยแล้วก็ตายนั่นแหละ นี่ต่อไปเธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาตัวเองก็ร้องให้เป็นธรรมดาเนี่ยนะก็สแสวงหาอะไรสแสวงหาสิ่งที่ร้องให้เป็นธรรมดาบอกว่าบุตรปริยาธาตุหญิงธาตุชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินนี่เรียกว่าสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาดูกอ่อนพิสูจนทั้งหลายสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปทิปเนี่ยนะอุปทิปแปลว่า เป็นสิ่งที่มีความโศกเป็นสภาวะผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องอยู่ในสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดามาเครียดก็ไปหาคนเครียดอเองจะเป็นยังไงเช่นร้อนระอุอยู่แล้วต้องไปเที่ยวอาบน้ําร้อนที่มันร้อนกันนั้นเองจะเป็นยังไงหนาวเหน็บอยู่แล้วยังไปแช่น้ำแข็งอีกจะเป็นยังไงนี่ก็ลักษณะนั้นนะนะก็เป็นคนที่เรียกว่าร เป็นคนเครียดอยู่แล้วไปหาคนเครียดมาอีกขี้บ่นอยู่แล้วไปหาคนที่บ่นกว่ายัางอีกมันจะเป็นยังไงใช่ไหมขี้หงุดหงิดแล้วไปพบคนที่มันหงุดหงิดยิ่งกว่าอีกจะเป็นยังไงมะร้ อ, นนรองให้น้ําตาอาบแก้มตลอดอยู่นั้นแหละก็ไปสแสวงหาเครี่ว่าไอ้ร้องให้แบบเอตโรลั่งอยู่ตรงนั้นอีกกะเกะ่านั้นขี้มักโกรธเป็นธรรมดาก็สแสวงหาสิ่งที่มีความโกรธเป็นธรรมดาโศกเน้นไปที่โกรธด้วยเพราะมันเกิดร่วมกับโทสะเนี่ย น, นะเรากําลังโกรธก็ไปสแสวงหาคนที่กําลังโกรธอยู่อีกไงนะ เรียกว่าไฟติดท่วมอยู่แล้วก็สแสวงหาไฟไอตรงนี้ก็ร้อนระอุไฟเผาแล้วก็สแสวงหาสิ่งที่มีไฟเผาอีกเป็นธรรมดากเลยเรียกว่าตัวเองเป็นผู้มีความโศกเป็นธรรมดาก็สแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาเคยคิดบ้างไหมว่าเออพระนิพพานาเนี่ยพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะต้องเรียกว่าเป็นคนที่คิดตรงกันข้ามไว้เสมอแต่ว่าเชื่อไหมปกติศัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยคิดอะไรที่มันตรงกันข้าม เหมือนสื้อเนาะแต่ไม่ใช่นะเคลาตังหาดใช้คำว่าซื้อเดี๋ยวเขาว่าแหมหูพระทำไมพูดหนักจังนี่ขนาดไม่ว่านะเนี่ยว่าไปตั้งเยอะแล้วที <Okay. S 1> นี้ต่อไปอันสุดท้ายเธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดาสังกิเลตเนี่ยแปลว่าถึงพร้อมด้วยความเศร้าหมองเป็นชื่อของตันหาอย่างหนึ่ง เป็นชื่อของทุจริตกรรมอย่างหนึง่งเป็นชื่อของมิจฉาทิฐิอย่างหนึง่งเพราะฉนั้นสิ่งที่สิ่งที่มีตันหาเป็นธรรมดาสิ่งที่ทุจริตความชั่วเป็นธรรมดาเป็นมิจฉาทิฐิเป็นธรรมดาก็สแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอีกนั่นแหละเช่นตัวเองมีตันหาเป็นธรรมดาแสวงหาสิ่งที่มีตันหาเป็นธรรมดาหรือเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเป็นธรรมดาือ บทภรยาทาตหญิงธาตชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงินนี้เรียกว่าสิ่งที่มีสังเกตแหละคือตันหาเป็นธรรมดาอย่างเช่นตัวเองเป็นสิ่งที่เป็นผู้ที่มีความทุจริตเป็นธรรมดาเนี่ยนะชั่วด้วยกายมั่งชั่วด้วยวาจาบั่งคิดชั่วด้วยใจมั่งสแสวงหาสิ่งที่มีความชั่วด้วยกายด้วยวาจาใจเป็นธรรมดาหรือสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความชั่วด้วยกายวาจาใจ เช่นบุตรภรยาธาตหญิงธาชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงินหรือว่าสิ่งตัวเองเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมดาสแสวงหาผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิและสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิอีกเป็นธรรมดาก็คือบุตรภรยาธาตหญิงธาชายแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาทองเงิน นี้เรียกว่าสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดา fe. ดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งที่มีสังกิเลตเป็นธรรมดานั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีสังกิเลตคือความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีสังกิเลตคือความเศร้าหมองเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีสังกิเลตเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหล ดูก่อนพี่สู่ท้งหวายนี้เรียกว่าการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเอาเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาสิ่งที่เกิดแล้วเราจะพ้นการเกิดไหมล่ะไม่พ้นเนี่ยนะเราก็แก่เป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วเราจะพ้นแก่ได้ไหมไม่ได้เราก็ป่วยเป็นธรรมดาไปหาคนป่วยเพิ่มเนี่ยนะจะหายโรคดีไม่ดีมันติดรามอีกโรคอันหนึ่งใช่ไหมเอาหวัดคนละสายพันธุ์เลยได้บวกสองหวัดประเภทมารวมกันก็เป็น เป็อะไรนะไอ้คนหนึ่งเป็นโรคหนึ่งไอ้คนหนึ่งเป็นโรคหนึ่งนะนะคนละโรคเลยไหมมาบวกกันเข้ามันเป็นโรคที่สามอีกอนะนะก็เลยบวกโรคเพิ่มกับลักษณะนี้แหละหรือตัวเองเป็นคนที่ตายเป็นธรรมดาก็แสวงหาความตายเป็นธรรมดาอีกนั่นแหละเนี่ยนะไม่รู้ใครไปงานศพใครนะก็เปลี่ยนกันไปแล้วกันถ้าศพคนก็ไปสวดไปถ้าศพกุ้งปลาก็อาไปต้มไปอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะ ก, ก็เหมือนกันนั่นแหละ แลก็สุดท้ายเนี่ยนะร้องไห้เป็นธรรมนาก็ไปค้นหาบอกโอ้ยอย่างงี้สิมันจะดีใช่ไหมมันจะเข้าใจกันอา้าวเขาเกิดเราก็เกิดเราก็เข้าใจกันใช่โอ้เขามัน oh, เหมือนเลือดซึ้งใชเราแก่เขาก็แก่เออเราจะได้เข้าใจกันเราป่วยเขาก็ป่วยเราจะได้เข้าใจกันเราตายเขาก็ตายเราจะได้เข้าใจกันเนี่ยนะงั้นเราโศกก็ไปหาคนที่โศกเออเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกั <c oughs> <tha> นทวนกันและกันอยู่วัดต่อไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าแสวงหาที่ไม่ ประเสริฐเนี่ยดูเหมือนดีใช่มแห ม, แมเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันและกันใครว่าวเมตตาปฏิรูปกะเมตตาเทียมเนี่ยนะไม่ใช่เมตตาแท้ถ้าเมตตาแท้มนก็เนาอ่ะใครว่าวชักชวนกันเพื่อออกจากวัตฏะแต่นี้บอกไม่ชวนกันเฝ้า วตถเนี่ยนะเขาเรียกว่าชวนกัน ร, ร้องให้ชวนกันเกิดแก่เจ็บตายโศกร่ําให้สะอึกสะอื้นชั่วอยู่แล้วก็สแสวงหาคนที่ร่วมทําชั่วเข้าไปอีกตันหาอยู่แล้วเพิ่มพูนตันหาอยู่แล้วมิจฉาทิฐิอยู่แล้วก็สแสวงหาสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิฟันไฟตรงนี้กองนี้กองหนึ่งแล้วไฟกองหงเอาไฟมาชนกันกับไฟก็เลยไฟกองโตกว่าเดิมเนี่ยนะก็เป็นลักษณะนั้นการสแสวงหาอย่างนี้แหละไม่ประเสริฐเพราะผู้ที่สแสวงหาแบบนี้ไม่พ้นจาก โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตไม่พ้นจากชาติชาราและมรณะสรุปว่าไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ก็คือไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปได้นี่นะอันนี้เป็นการกล่าวแบบวัตะวตะกถาเนี่ยนะวัตตะกถาก็คือกล่าวถึงทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์จริงๆแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกโดยทั่วไปเนี่ยนะเกลือกล้วในชาติชาราพยาธิและ มรณะเป็นที่ตั้งแห่งโซกะและอุปาและสังกิเลสะคือความชั่วด้วยกายวาจาเป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นความเศร้าหมองของโลกทั้งหลายไอความเศร้าหมองของโลกทั้งหลายก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาประเด็นมันอยู่ที่ว่าสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอีกอสิอย่างโรคทั้งหลายเนี่ยนะอย่างหวัดบางตัวนี่แหมมันเลวร้ายอยู่แล้วอะ่ะทีนี้ ตัวหวัดบางตัวเนี่ยมันเลวร้ายโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าคนที่ต้องการจะสูดดมหวัดชนิดนั้นเข้าไปให้ชุ่มปอดเลยเนี่ยนะเช่นหวัดซาเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะมันโรคประเภทนั้นอ่ะไม่อยากดมเชื้อหวัดอันนั้นเข้าไปอยู่ในว่าให้ลึกซึ้งเลยนะเรื่องแหมตาเบิรนเลยไม่ต้องทำตาขนาดนั้นก็ได้งงมากเป็นเอ่อ ตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าชาติชารามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตเสาะแสวงหาแต่สิ่งล่ะนะไอตัวสแสวงหาตัวนั้นแหละคือสมุทยัยสัจจะนั่นแหละคือเหตุแห่งชาติชาราและมรณะนั่นแหละคือมิจฉาปฏิปทานั่นแหละคือสมุทยัยสัจจะที่ต้องละสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความป่วยความตายเศร้าโศกทุเจ็ินี้เป็นธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้ เป็นธรรมที่ควรเข้าไปพิจารณาใคร่ครวนแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนับไม่ใช่เพื่อสแสวงหาด้วยอำนาจตัณหาเสาะแสวงหาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอำนาจตัณหาไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมั้นพระองค์ก็เลยตรัสวิวัตตกถาเนี่ยนะธรรมที่พ้นจากความเกิดธรรมที่ดับความเกิดธรรมที่ดับความแก่ธรรมที่ดับความตายธรรมที่ดับความเศร้าโศกธรรมที่ดับความเศร้าหมอง ผู้ที่สแสวงหาธรรมที่ดับความธรรมที่ดับความเกิดธรรมที่ดับความแก่เป็นต้นเนี่ยเรียกว่าการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐข้อ315รดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐเป็นฉนานี้อันนี้สําหรับคนที่มีอัธยาศัยที่จะออกจากชาติชารามรณะใช่ไหมเป็นวิวัตะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อความ พ้ทุกเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญามีกรรมสกตาปัญญาเป็นความเห็นที่สอดคล้องต่อ ก, การแทงตลอดอริยสัจทั้งหลายก็เชื่อว่าคนบางคนในโลกนี้ตนเองเนี่ยมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ทราบชัดรูด้หมายความว่ามีปัญญาเห็นโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดแปลว่าสแสวงหาพระนิพพาน ที่ดับความเกิดหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เป็นธรรมที่กเกษมแปลว่าปลอดภัยจากโยคะทั้งพวงปลอดจากกามโยคะพะวะโยคะทิฏโยคะและอวิชายโยคะเนี่ยนะเพราะนตัวเองเนี่ยเกิดจริงอยู่ยอมรับว่าเกิดตัวเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเที่ยวเสาะแสวงหาสิ่งที่ดับความเกิดเป็นธรรมดามีธรรมเหล่าไหนบ้างหนอ ที่เป็นธรรมที่ดับความเกิดที่ทําให้พ้นจากความเกิดมีคุณธรรมอะไรนะถ้าตรัสรู้ธรรมนั้นแล้วไม่ต้องเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานมีธรรมเหล่าใดบ้างหนอที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยพ้นจากการเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและเกิดเป็นโอปปาติกะเรียกว่าตั้งเป้าหมายลักษณะนี้และเรียกว่าตัวเป็นผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็สแสวงหา ทมที่ดับความเกิดเป็นธรรมดาเพื่อที่จะได้พ้นจากความเกิดเป็นธรรมดาแต่ก็คิดว่าจะคิดว่าจะหาพบกันง่ายๆมั้นั่นนะคนที่ไม่สังสมบุญนะหาพบได้ไม่ง่ายหรอกเดี๋ยวข้างหน้าจะมีต่อไปว่ า, านะพระองค์ตรัสรู้รมที่ดับความเกิดพับเนี่ยไม่ไม่น้อมไปเพื่อแสดงเพราะอะไรนะเข้าใจยากเพราะเขาต้องการเกิดเราไปพูดให้เขาดับความเกิดเนี่ยม้คนละเรื่องกันเลยใช่ไห ต่อไปตนเองเป็นผู้มีชราคือความแก่เป็นธรรมดาทราบหมายความว่ารู้ชัดรู้โทษสิ่งในสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดารู้พิษภัยทุกโทษของสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสแสวงหาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความแก่หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เป็นธรรมที่กเกษมจากโยคะปลอดภัยโดยประการทั้งปวงนะเป็นธรรมที่เรียกว่าตรัสรู้สิ่งนี้แล้วพ้นจาก ความแก่เนี่ยนะพ้นจากความชราเนะเลิกแก่เนี่ยนะตนเองเป็นผู้มีพยาธิเจ็บป่วยเป็นธรรมดารู้ชัดโทษเห็นโทษในสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาสแสวงหาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความเจ็บป่วยหาความเจ็บป่วยไม่ได้หาธรรมอื่นยิ่งกว่าสิ่งนี้อีกไม่ได้กเกษมจากโยคะรู้เลยว่าความเจ็บป่วยพระนิพพานเป็นที่พ้นจากความเจ็บป่วยเป็นอย่างไรเนาะเนี่ยนะ เคยไปเยี่ยมคนป่วยรายคนเนี่ยนะบอกว่าวิธีคิดเนี่ยนะเนี่ยอาศัยความเจ็บป่วยที่ที่เราป่วยป่วยเจ็บเจบอยู่อย่างนี้นะลองมาเจริญแบบนี้คิดแบบนี้ดูว่าเนี่ยพระนิพพานไม่ป่วยแบบนี้โรคเนี่ยนะสมมติว่าใครเจ็บป่วยโรคอะไรก็ช่างเถอะในร่างกายเจ็บป่วยด้วยโรคปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นวัด น, นะเจ็บหลังเจ็บท้องเจ็บอะไรก็ช่างเถอะเจ็บปวดอย่างนั้นนะก็มาคิดถึงว่าพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะ ดับความเจ็บปวดเหล่านี้โดยประการทั้งปวงคิดแบบนางสุปปวาสาโกรยติดาแม่พระศิวลีคิดเนี่ยนะนั่นคิดว่าท่านปวดท้องมากเลยนะเพราะมีท้องอยู่ตั้งเจ็ปีคันหลงอีกเจ็ดวันไอ้เจ็วันสุดท้ายนี่มันทรมานอย่างลึกซึ้งเหมือนนนะเพราะสมัยนั้นก็ไม่ผ่ากันนะนะมันเจ็บปวดมากเนั้นคิดยังไงก็คิดว่าอู๋พระนิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันไม่เจ็บไม่ปวดแบบนี้หรอกเนี่ยนะ และท่านก็เป็นพระโสดาบันนะท่านก็เจริญอุปสมานุสติระลึกถึงพระธรรมคือพระนิพพานว่าพระนิพพานไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดแบบนี้เพราะเป็นธรรมที่ดับความเจ็บป่วยเจ็บปวดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็เวลาปวดหัวทีนก็คิดอย่างนี้ได้สักทีหนึ่งก็ยังดีนะยังจะได้น้อมออกบงังเ อ, อิญพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความเจ็บปวดเป็นธรรมที่ดับโรคภยัยทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้ถ้าตรัสรู้พระนิพพานนะพ้นจาก ความเจ็บปวดพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเหล่านี้แน่นอน